พระโพธิญาณเถระหลวงพ่อจังหวัดอุบลราชธานีสุภัทโทวัดพุทธศักราช 2461 ถึง 2535 ใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมถ้าใครเห็นธรรมถ้าผู้ใดเห็นธรรมชาติเห็นธรรมผู้นั้นก็เป็นผู้รู้แจ้ง ธรรมะนั่นดังเช่นเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขนั้นก็ตั้งอยู่ ความสุขตั้งอยู่แล้วความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปแล้วความสุขมันก็สลายไปหมดก็ไม่มีอะไร เป็นทุกการเวลามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งของภายนอกคือต้นไม้ภูเขา วันหนาวนี้มันสัจธรรม ท่านไม่ธรรมะคือความจริงที่มีอยู่แล้ว พิจารณาท่านเข้าไปรู้ธรรมะคือรู้ความจริงอันนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าของเรา ปรัสรู้ธรรมะและ เมื่อจะไปดูที่ไหนได้รู้ดูที่ใจของเรานี้แหละจะต้องดูในกายของเรา นี่เรียกว่ารูปธรรมรู้เข้าไป ฉะนั้นจึง จะมองไปทางไหนจะมีแต่ธรรมะทั้งนั้นไปทุกขัง ทุกขังถ้าเที่ยงก็เป็นทุกข์ยึดว่ามันเที่ยง เป็นตนอยู่เสมอเห็นว่าเป็นของตนอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการที่เราเข้าใจว่า อันแต่เป็นของสมมุติอันนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของสมมุติถ้าเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายแจมแจ้ง เป็นยอมรับความจริงอย่างนั้นแล้วอย่างเช่นรับ เห็นว่าก็ไม่ชอบเสียแล้วอย่างแต่ความเป็นจริงแล้วก็ คือตัวสัจธรรมแท้แท้ ไม่อยากจะดูเมื่อไม่อยากจะดูทุกมันก็ไม่รู้ทุกดู เป็นตัวอริยสัตว์เป็นสัจธรรมอริยสัจก็เป็นเหตุให้เราแก้ไข ถ้าเราไม่อันนี้เราเลยข้ามไป ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่าน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 ใจของเรานี่ใจของฉะนั้น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 ปฏิบัติก็ไม่รู้เราจะต้องอาศัยปัญญาไม่รู้ธรรมะที่ควรปฏิบัติ สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ มันก็พยายามปฏิบัติมันเมื่อมันรู้ว่าวางไม่ได้ก็คือไว้เพื่อเราอีก ให้มี